ใจของคนบางคนนี่ร้ายกาจร้ายกาจมากท่านพูดถึงทุทธกุมารนะทุทธกุมารทุทธะแนะปลว่าชั่วยาบนะใช้คำตรงศัพตรงคำแปลเลยทุทธกุมารเป็นโอรสพระเจ้าเป็นดินองค์หนึ่งเป็นคนโหดร้าย หยาบคายไม่ฟังใครแหละเอาแต่ใจตัวเองเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แต่ยังมีความชั่วชั่วร้ายอยู่เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรไม่สมไม่สบอารมณ์ไม่พอใจโอ้ยเป็นเครียดเป็นแค้นเป็นตายเลยแหละทอดโตมาโตมาโตม า, ตมาเจริญไวัยมาพระธิปิดาก็อยากจะให้สืบ สันติวงต่อโอ้มันรู้จะแก้ไขยังไงลูกชายของเราเนี่ยมันหยาบชั่วหยาบละวเกินมันไม่เอาอะไรทั้งนั้นะมันเอาแต่ตามใจตัวเองร้ายกาจมากบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครเอาสักคนเลยมีแต่คนรังเกียดมีแต่คนดา่ดาด่าลับหลังเลยไม่มีใครชอบใจพอใจสักคนแหละอันคือความชั่วร้ายของคน มันไม่ได้กินใจอะไรกับใครแหละแม้จะเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ขนาดนั้นมีอยู่วันหนึ่งพระปัเจกท่านมาใกล้เมืองพระราชาเห็นก็เลยนิมนต์ท่านไปพักที่สวนอุทยานหวังจะพึ่งพระปัเจกนี่แหละสอนลูกชายขอยงฉันนะพระราชาพระราชบิดาเนี่ยลูกชายก็เหมือนกับ เมื่อก็จับลิงใส่กระดองละมั้งนิสัยไม่มีที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพูดจาอะไรกับพระกับอะไรก็ไม่มีแหละเลยพาไปหากไม่กล้าขัดขืนเลยไปแต่ก่อนก่อนไปนั่นนะ่ะได้ไปคุยไปสนทนากับท่านก่อนนั่นแหละรอบแรกเนี่ได้ไปก่อนนั่นแหละรอบสุดท้ายวาระสุดท้ายวันหลังนะ่ะจึงจึงได้พาลูกไป พาโอรสไปเพื่อให้ได้ฟังคําธรรมะคําสอนจากจากพระปจเจกอะพระประจิ๋งก็คือพระอรหันเนี่ยท่านดูอะไรท่านดูทะลุปโปร่ปปงอย่างงี้เกิดอย่างนี้แก้ไขอย่างนี้อันนี้อย่างนี้แก้ไขอย่างนี้อันนี้นี่แก้ไขอย่างนี้อืพอวระต่อมาก็เลยพาลูกพาลูกไปก็เลยขอร้องให้ลูกอยู่กับพระปจเจกสักคืนหนึ่ง แต่ก็แนะนําพระประเจดีเลยว่าช่วยบอกช่วยสอนลูกด้วยบอกว่าลูกในชั่ว ย, ยากมากไม่มีใครเอาด้วยสักคนเลยคนในวังคนในเมืองไม่มีใครเอาด้วยสักคนมีแต่คนเขาแช่งเ้าด่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะให้ปกครองดูแลบ้านเมืองได้ยังไงอืพระประเจกท่านก็ทราบแล้วอ่าท่านก็ทราบแล้วพอวันหลังก็พาไปพาไปก็ไปกราบไปพูดไปคุยไปสนทนาปราศรัยนิดหน่อย ก็เลยวันนี้อยาให้ลูกให้อยู่ให้ลูกอยู่กับพระคุณเจ้าสักหนึคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับอ่าพรุ่งนี้จะมารับเสร็จแล้วก็ลาไปลากลับลูกไปอยู่กับพระประจริจิตรแหละลูกชายเนะี่ยทุตทะกุ ม, มานอะ่ะพระประจริจิตรท่านก็ฉลาดด้ท่านชวนคุยท่านชวนพูดอ่าเจ้าชายได้ออกมาข้างนอกบ่อยไหม ไม่ค่อยได้ออกมานานๆสักครั้งนะตอบเจ้ชาชายมีพี่น้องกี่คนด้วยกันกี่คนมีคนเดียวมีคนเดียวโอ้ดีแล้วมีคนเดียวไม่มีใครแย่งความรักไม่มีใครแย่งความรักจากจากเจ้าชายพอดีมันมีต้นสะเดาอยู่ข้างๆนี่ ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นเสดาลรู้จักไหมต้นเสดารู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักเราให้ลองให้เจ้าชายไปเด็ดใบามามาเคี้ยวดูเจ้าชายก็ไปเด็ดใบามาเคี่ยวดูพอเคี่ยวไปแล้วความขมพอความขมเข้าสู่ปากกันโอ้ยทั้งกรีว้วทั้งกโกรธทั้งสารพัดเนี่ย แต่ไม่กล้าโกรธให้กับพระรให้ไปโกรธให้ต้นสะเดาเนี่ยนะนะไปตกไปตีไปดึงไปฉีกต้นสะดาวจนมุนมัดวางั้นเถอะอืทีพระประเจดังก็เลยถามอา้าวเจ้าชายทําไมทําอย่างงั้นน่ะโกรธให้ต้นสะดาวเลยโกรธให้ต้นสะดาเอาต้นสะดาวจนมุนมัดนะพร้อมทั้งทุบทั้งตีทั้งพูด ต้องว่านั่นแหละเนี่ยต้นเล็กๆขนาดนี้มีพิษ้ายกาดขมมากเลยนะ่ะถ้าปล่อยโตไปก็จะเป็นพิษใครมากินข้าวก็จะตายหมดเขาคิ ด, ดเลยว่าพิษสองของต้นสดาวมันขมไม่ชอบใจไม่ชอบใจเสร็จแล้วพระประเจ๊ท่านก็ได้ช่องนะนทนนี้เจ้าชาย เจ้าชายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละขมเหมือนรสสะเดานี่นแหละมีพิษมีสงเหมือนรสเสะเดานี่นแหละเหมือนรสของต้นสะเดานี่นแหละเดี๋ยวนี้คนใกล้ชิดคนข้างเคียงบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนทั้งหลายทั้งปวงนี่เขาไม่เอาเจ้าชายแล้วเพราะเจ้าชายนี่มีพิษร้ายยิ่งกว่าต้นสะเดาอีกวกข้าหาตัวเลยในตอนนี้โอโ้จิ้มไปที่ ใจที่ตรงตรงเลยก็เลยเริ่มเริ่มอ่อนย่บจิตใจก็เริ่มอ่อนจนต่อคจนต่อเหตุผลว่างั้นเถจนต่อเหตุผลก็เลยสอนเพิ่มเติมไปได้ความสำนึกพอรู้สิกอรู้ว่าสานึกแล้วก็สอนเพิ่มเติมไปคนใกล้ชิดบรมวงสานุวงให้เราปฏิบัติต่อเขาให้ดีปฏิบัติต่อเขาให้ถูกประชาชนบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งปวง เราพูดกับเขาดีๆปฏิสันถานประพฤติปฏิบั ต, ติเกี่ยวข้องผูกพันกันยังไงก็ทำให้ดีต่อไปพวกนี้แหละเวลาเจ้าชายโตไปเจ้าชายจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพวกนี้แหละจะเป็นผู้ค้ำบัรลังของพระองค์พอฟังพอฟังเสร็จแล้วก็เลยรู้สึกตัวรู้รู้สึกตัวสำนึกตัวแล้วว่าไม่มีใครเอาด้วยเลยรู้ว่าคนอื่นเกลียดตัวเองแล้วตอนนี้ โดยปกติของคนเรามันไม่ชอบคนอื่นเกลียดตัวเองนะอันนี้พอเจ้าชายเนี่ยรู้สึกว่ากิริยาของเจ้าของไม่ดีความประพฤติของตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าคนรอบข้างนับตั้งแต่ในรั้วในวงังบรมวงศานุวงศ์อยู่ใกล้ชิดเนี่ยมีความรังเกียจอย่างนั้นก็รู้สึกอู้ตกใจว่าบเลยแหล ะ, ะปกติจิตใจของคนเราเราเร า, เราคิดดูสิ มีแต่อยากให้คนนั้นรักอยากให้คนนี้ชอบพอเขาไม่รักไม่ชอบแล้วก็โอ้มันแสดงความถึงเกิดความรู้สึกตัวเจ้าชายก็เช่นเดียวกันเกิดความรู้สึกตัวก็เลยขอบคุณขอบบุญขอบคุณพระบัจจีบอกว่าหลงตัวเองมามานานหลงตัวเองมามากว่าเจ้าของเนี่เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินทํายังไงก็ได้ตามใจชอบ ทำยังไงก็ได้ตามใจหวังต้องการอะไรต้องการเล่นต้องการสนุกต้องการอะไรยังไงได้หมดผิดถูกชั่วดีอะไรก็ไม่สนใจแหละทำได้หมดเพราะเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาตั้งแลบลิ้นปลิ้นตาใสเวลาอยู่รับหลังเวลาอยู่อยู่ต่อหน้าก็าก็ค้าขาอย่างดีแต่เวลาอยู่รับหลังเนี่ก็เหมือนกับลิงหลอกเจ้า มันก็ลิงหลอกเจ้าเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกสลดใจในพฤติกรรมของตัวเองก็เลยขอบคุณขอบคุณพระปัจเจกถ้าเผื่อไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยมาสนทนามาอยู่ได้ฟังอัดฟังธทำทำท่านจะไม่มีโอกาสรู้สึกตัวเลยจากนั้นมาเจ้าชายกุมารนั้นก็พยายามปรับ ปรุงพฤติกรรมความประพฤติของตัวเองให้ดีขึ้นปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือคนชั่วหยากขาดความสำนึกคนที่ร้ายกาจถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีคนที่จะมีความสามารถถึงขนาดนั้นเอาไม่อยู่เอาไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะการปรับปรุงแก้ไข จิตของคนจริตนิสัยของคนเนี่ยมันเป็นการแก้ไขที่ยากที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้งานการนุ่นงานการนี้งานการหนักงานการเบางานหยาบงานละเอียดขนาดไหนก็ตามผิดพลาดไปอะไรไปก็แก้ไขไม่ยากแก้ไขง่ายแต่การที่จะแก้ไขคนให้ให้ดีเนี่ยด้ยเหตุที่มิจฉาทิฐิ เต็มทั้งดวงเนี่ยแก้ไขา ย, ยากมากถ้าไม่มีคนที่มีวาสนาบา ร, รมีถึงขนาดนี้นี่ยแก้ไขไม่ได้คือดูไม่ออกหาอุบายที่จะมาแก้เคล็ดตัวนี้นะคิดไม่ออกแต่ น, นี้ท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านเป็นพระปัจเจกพระปัจเจกก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้คิดจะตั้งศาสนาทันมลุษธ์ธรรมด้วยหลักอริยสัจสี่ ตรัสรู้เองเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแต่ไม่ตั้งศาสนา น, นี่ยรู้ริอยาจะมองทุกอย่างทะลุโ ป, ปร่ปปรงสัพพัญญอรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้ทะลุโ ป, ปร่ปปรงรู้บายรู้วิธีรู้บายรู้วิธีอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้ า, พ ร, รจาพระพุทธเจ้าพุทธะแม้แต่พระสาวกเนี่ยท่านก็ดูทะลุโ ป, ปร่ปปรงหมดนะ <c oughs> ลุงตาเราสมัยท่านช่วยชาติ สมัยบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่อง i m f อนะสมัยบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่อง IMF อ็มอนะี่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านรู้วิธีแก้ไขว่าทําไงจะดีขึ้นทําไงจะได้ทําไงจะดีขึ้นท่านดูอย่างทะลุผุโปร่งว่าทำยังไงทำทำไงจะได้ทําไงจะดีขึ้นคือคิดออกวิธีการคิดออกแต่คนที่จะตามเนี่ยตามได้ไหมท่านดูออกทะลุผุโ ป, ปร่งหมดวาคนจะแก้ไขยังไง ในที่สุดพอท่านเริ่มพาทมพวกเราก็ตามไปตามพวกตามท่านไปอย่างอย่างสละเป็นสละตายเหมือนกันนะบางครูบาอาจารย์บา ง, บาาบางองค์นะ้วิ่งเหนือลงใต้วิ่งใต้ลงขึ้นอีสานลงกรุงเทพวิ่งทัุทิมพือวิ่งอะไรวิ่งวิ่งไปดูไปติดต่อไปประสานงานให้ท่านไปเปิด เวทีเทศสอนประชาชนที่บ้านนั้นที่เมืองนี้รับประปาที่นู่นที่นี่นี่ถือว่าเสียสละสละเป็นสละตายนี่คือปัญญาเนื่องจากว่าปัญญาที่เคยต่อก่อนกับสิ่งที่ละเอียดที่สุดอยู่ในจิตของตัวเองเราฟังเทศหลวงตามันกี้เราก็ได้กติได้ข้อคิดอะไรบ้างที่เป็นข้อคิดเคล็ดลับที่ละเอียดลึกเข้าไป ตั้งแต่พื้นพื้ไปจนถึงนุ่นที่สุดท้ายปลายแดนเราฟังแล้วเราได้อุบายละเอียดลึกขนาดไหนบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยสิ่งที่ละเอียดท่านว่าละเอียดสุดละเอียดสุดเหมือนกับยาพิษที่มันซึมมันซับมันซาบอยู่ในจะจะเป็นในผลไม้มันก็ซึมซับอยู่ในนั้น ถ้าจะเป็นเนื้อหรือถ้าจะเป็นอาหารสมมติเข้าใส่ไปในหมอ้อมันก็ซึมซับอยู่ในนั้นอ่ะมันมีฤทธิ์เอาตายได้แต่เรามองไม่เห็นมันดอกอท่านว่ า, ามันมีฤทธิ์เอาเราตายได้แต่เรามองไม่เห็นไอเกเลียส่วนที่ละเอียดที่มันอยู่ข้างในลึกๆมันก็เหมือนยาพิษนี่แหละท่านพูดเป็นอุ ป, ปมาให้เราฟังเราฟังไว้เราก็ฟังไว้เป็นกลุยหมายป้ายทาง ความหลงของจิตเราเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเราดูไปเถอะทั้งๆ ท, ที่เราดูเรารู้อยู่โรธอยู่เฉพาะหน้านะ่ะตั้งใจอยู่เราก็ยังอยู่บนเส้นทางของความหลงนะเราเออเราหลงเราหลงเอไม่รู้จะหลงตรงไหนอะไรตรงไหนรู้ไม่ออกดูไม่ออกหลงยังไงหลงตรงไหนคือความมันไม่ฉลาดไม่ฉลาดรอบด้านรอบทิศรอบทาง ไม่ฉลาดรอบด้านรอบทิศรอบทานหลงยึดรูปหลงยึดนามที่ท่านพูดสรุปสรุปเมื่อกี้เนี่ยหลงยึดรูปว่าเราว่าของของเราว่าอัตตาตัวตนของเราหลงยึดนามว่าเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อกี้ท่านพูดสรุปสรุปและก็หลงยึดจิต หลงยึดรูปคือหลงยึดธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มันมารวมกันแล้วเป็นรูปแล้วก็หลงยึดน้ำน้ำก็คือกิริยาของจิตนี่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่ามันมีแต่นามมีแต่ลักษณะมีแต่กิริยาอาการนะมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้ท่านจึงเรียกว่านา้ำแต่ไม่ใช่ตัวจิต มันเป็นกิริยาอาการของจิตหนึ่งหลงรูปสองหลงนามสามหลงจิตนะหลงรูปหลงนามหลงจิตหลวงตาท่านวินิจฉัยว่าพระรูปเจ้าทรงแสดงธรรมอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยท่านไม่ได้พูดละเอียดไปถึงใจแต่ถ้าแสดงอาทิตตะปริยายะสูตรเนี่ยท่านมีกล่าวถึง เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาณอ่เบื่อรูเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในกลิ่นเบื่อหน่ายในรสเบื่อหน่ายในสัมผัสอ่าแล้วก็เบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในใจนี่ท่านว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดท่านวินิจฉัยยังงนี่เราก็ฟังไว้เป็นกรุยหมายป้ายทาง เรารู้เป้าหลักๆที่เราแก้ยากที่สุดก็คืออัตตาอะไรคืออัตตาเห็นไหมท่านพยายามไล่ตั้งแต่เริ่มแรกอัตตาคือตัวคือตนอะไรมันภาว่าอัตตาอะไรมันภาว่าตัวมันภาว่าตนออแต่ด้วยความหยาบๆของเราเราก็เห็นว่าเราเนี่ยสำคัญว่าร่างกายที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็ยึด ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายเหลือเกินว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราต้องทนุต้องถนอมเจ็บไข้ได้ป่วยมากะทุหาดูอยู่หายยาออยากอ้วนอยากพีอยากผิวอยากผ่องอยากสวยอยากงามพออ้วนพอพีพอขาวพอผ่องพอสวยพองามพอสะดวกสบายขึ้นมากะตีดออกตีดใจเนี่ย เวลามันเหี่ยวเวลามันเฉาเวลามันไม่กระปี้กระเป๋าเวลาเจ็บไค่ไดป่วยมากะทุกเพราะยึดว่าเป็นเราคิดว่าเราเป็นคิดว่าเรามีคิดว่าเราเป็ น, ค, ค, ปนคิดว่าเป็นของของเราคิดว่าเราคิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเรานี่แหละเราจะลอามาจับแค่นี้เราก็ดูไปที่ความหล ง, งเราหลงได้ยังไง เราตั้งปัญหาแล้วเราก็พิจารณาถึงความหลงที่เราหลงนี่แหละมันหลงได้ยังไงก็เรานี่แหละอยู่เป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นแท่งนั่นแหละมีขาสองแขนสองมีลำตัวมีหัวอยู่นี่แหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสามารถสัมผัสรับรู้ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจได้นี่แหละเป็นเราเนี่ยความคิดมันขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าท่านว่า ที่เราทําไงเราสอะยังไงเราถึงจะรู้จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันจึงไม่พ้นเราจะต้องภาวนาให้จิตสงบเพราะจิตสงบแล้วเอาจิตที่สงบเรามาพิจารณาให้จิตมันเข้าใจเรื่องรูปร่างกายของเราเนี่ยสัญธานั้นมันก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเออ มีแขนมีขามีลำตัวมีส่วนน้นมีส่วนนี่มีส่วนนี้ส่วนนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นอวัยวะเกิดมาสำหรับทำการทำงานของมันตาสำหรับเห็นรูปหูสำหรับได้ยินเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสาหรับลิ้มรสกายผิวกายผิวพัธุ์ของร่างกายสำหรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง แล้วก็ใจสำหรับน้อมนึกเนี่ยใจสาหรับน้อมนึกแล้วก็พิจารณาย้อนมาตรงนี้พิจรนารณาดูรูปเราสาคัญรูปนะเราเป็นเราว่าเป็นของของเราสาคัญว่าเสียงเนะ่ว่าเราได้ยินได้เห็นรูปได้ยินเสียงว่าเราเราเราเร า, เรานะ่เราก็หลงเพลินกันอยู่อย่างนี้เราไม่ได้เจาะลึกเข้าไปอีกว่าไอ้สิ่งที่มันว่าเรานะ่ะคืออะไรเราพยายามเจาะลึกย้อนลึกเข้าไป ในท่สุดก็เลยไม่รู้จักแยกแยกก็เลยหลงติดหลงติดในกิริยาหลงติดในอาการหลงติดในสันฐานสันฐานที่เป็นหัวเป็นลําตัวแล้วก็ไปติดของนอกตัวคือติดรูปเกี่ยวข้องกับรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสคําว่าติดคาว่าติดในที่นี้หมายความว่า ดีก็ชอบใจไม่ดีก็ผลักออกไปนี่เขาเรียกว่าติดดีก็ถูกใจชอบใจยินดีกับยินร้ายเพลินใจไม่ยินดีไม่ถูกใจก็ผลักออกไปเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นทวารสาหรับผู้รู้มันออกไปข้างนอกตาเป็นทวารสาหรับผู้รู้ออกไปเห็นรูปข้างนอก โอกาสที่มันจะเกิดความรู้สึกแยกแบบนี้ยากถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนาจิตสงบแล้วเอามาพิจารณาแล้วมันจะรู้จักเข้าใจไม่ได้ไมไดแม้แต่หลักสัจจะทำหยับหยาบมันเราก็จะเข้ารู้เข้าเห็นเข้าใจไม่ได้มันก็เลยทําให้เราหลงหลงทงั้งทั้งที่เรายืนอยู่บนความหลงเนี่ยเอะหลงยังไงเราหลงตรงไหนหลงหลงหลหลหลเนี่ยนี่เราดูว่าพระพุทธเจ้าท่านแก้ปัญหา ในเมื่อประสบพบเห็นเหตุปัจจัยถึงขนาดนี้แก้ปัญหาถึงขนาดนี้แล้วไอ้ปัญหาข้างน่อมข้างนอมเป็นปัญหาหยับหยาบดูแป๊บเดียวทะลุบุบโปร่งหมดก็เหมือนอย่างพระประเจกท่านแก้ให้กับกุมาร น, นั่นแหละท่านดูแป๊บเดียวทางกับทะลุบุกปร่งหมดแล้วจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงถึงจะถึงก้นบึ้งของหัวใจของเด็กของกุมาร น, นั่นนี่เราดูความปรีชาสามารถของท่านที่ท่านรู้ ภายในเห็นภายในละเอียดลึกเข้าไปอย่างนั้นเราไม่ได้คิดว่าอาวัยวะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดมาเพื่อทําหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมองเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันเดียวกันเลยแม้แต่ท่านบอกว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยดินน้ำํำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราก็เห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอันนั้นกับผิวอันนี้ก็งาอันนั้นก็ับอง อันนั้นก็อ้วนอ้วนอันนั้นกั็เต็มอันนี้ก็ตึงก็ล่องยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราดูความละเอียดของมันนนั้หลงมันพาหลงพายึดท่านจึงให้เรามาเอาจิตที่ได้รับความสงบมาพิจารณามาไล่ไปโอ้อันนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นดินโอลักษณะนี้เป็นน้ําธาตุน้ําลักษณะอย่างนี้เป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟหรือไม่ไปแยกเป็นอาการอาการเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง ไปหัดกระจายเพื่อทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งด้วยเหตุแห่งความเป็นก้อนเป็นแท่งก็ทำให้เรามาติดสันฐานที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละสันาสันฐานหัวอ่าสันฐานใบหน้าสันฐานหูสันฐานตาอู้งามเหลือเกินอ่าคอเอยแขนเอยลำตัวเอยขาเอยเท้าเอยอะไรงามไปหมดหนักนเะข้ามูด งามคูดงามงามไปหมดว่าว่าแต่เจ้าทหาราคามันมีอยู่ในหัวใจแล้วทุกอย่างงามไปหมดเราไม่ได้คิดถึงเรื่องหน้าที่ของมันแท้ที่จริงมันเป็นช่องที่ช่องมันเป็นช่องที่ผู้รู้ออกไปข้างนอกนะผู้รู้ออกไปทางตาไปทางหงูไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อไปซ่องเสพหา สิ่งที่ชอบใจพอใจมาเสพความสุขเข้าไปที่จิตคือผู้รู้นี่เลยหหลงไหมหลงมากโอกาสที่เราจะเห็นเป็นธาตุโอกาสที่เราจะเห็นเป็นอาการเช่นอย่างอาการ32สองเนี่ยมันเห็นได้ยากมันหลงทั้งทั้งที่เราเห็นเห็นรู้อยู่นี่เลมันหลงมันพาเราหลงเราดูง่ายๆว่าเราภาวนาพุโทโธตั้งใจจะให้อยู่กับพุโทโธว่าไปว่าไปว่าไปอ้าว ไปโผล่นู่นแล้วว่าไปว่าไปว่าไปเอ้าเอ้าไปโผลนี่นี่แล้วเราดูความหลงชั่วเซี่ยววินาทีเดียวเนี่ะเราดูเถมันหลงไปได้ยังไงแล้วพูดอย่างนี้เราก็พิจารณามาที่จิตของเราเราภาวนาแล้วมันไม่อยู่จับอย่างงี้มันอยู่เราพยายามจับมันไปก็จับดึงกลับมามันไปก็จับทางความรู้สึกดึงกลับมาไปก็จับทางความรู้สึกดึงกลับมา เป็นแบบเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบทดสอบเป็นแบบทดลองขยับอยู่ตรงนี้เนี่ยก้าวขึ้นขับขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงขยับเข้าขยับออกขยับอยู่ตรงนี้แหละอาศัยคุณสมบัติของจิตที่สงบด้วยอาศัยความภาคเพียรของจิตที่มีปัญญาอยู่ด้วยขยับไปขยับมาขยับไปขยับมามันชักจะค่อยเริ่ม มันค่อยเริ่มผ่องมันค่อยเริ่มใสมันค่อยเริ่มเห็นเงื่อนเห็นงามคือสัจธรรมส่วนที่ละเอียดมันจะค่อยๆจะค่อยๆเริ่มปรากฏศัจธรรมละเอียดมันจะเริ่มปรากฏมันจะแจกกันโดยอัตโนมัติเข้ามาออรูปอตาออรูปอหูอ๋อเสียงออจมูกออกลิ่นออลิ้นออรสมันหากรู้สึกมันเป็นศัจธรรมอย่างหนึ่ง ที่รูปธรรมกับนามมันทเขาสัมผัสสัมพันธ์กันอ๋อใจอ๋อความนึกคิดภายในใจมันก็นึกคิดนึกปรุงนั่นแหละใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันปรุงออกมาในในลักษณะของอาการของจิตที่ที่ทว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นมันเป็นนามขันมันไม่ใช่ธาตุรู้แท้ๆมันไม่ใช่ผู้รู้แท้ๆมันไม่ใช่ตัวจิตแท้ๆ มันเป็นแต่เพียงอาการของมันเป็นกิริยาอาการของมันเหมือนอย่างเรามองเปลวเทียนเดียวนี้เราจะเห็นว่ามันมีมันมีมันมีสีเราจะเห็นไหมเป็นสีเหลืองเหลืองบางทีก็สีแดงแงตรงขอบมันบางทีมันก็มีควันนี่เป็นอาการของมันทั้งหมดในขณะเดียวกัน่ะมันไม่อยู่นิ่งหยุดหยุดอยู่กับที่ล่ะ มันกินไส้เราว่าเราเห็นไฟแท้จริงไม่ใช่ไฟไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเราว่าเราเห็นไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเราจะรู้ว่าเป็นไฟต่อเมื่อเรามือเราไปสัมผัสอ๋อนี่แหละไฟนี่ร้อนนี่แหละนี่แหละร้อนร้นี่แหล ะ, นนหละไฟนั่นถ้าเราจะเทียบกับนามะมขันก็เช่นเดียวกันตัวนี้มันไม่ใช่จิตอ ธาตุรู้ที่แท้จริงไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอาการของมันก็เหมือนอย่างอาการของเทียนเนี่ยความร้อนนั่นแหละมันเกิดความร้อนเราเรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟสีของมันก็คือสีของไฟนั่นแหละที่มันกินเชื้อนอกจากนั้นแล้วมันมีปฏิกิริยาทำให้เกิดความสว่างเห็นไหมเกิดความเห็นความสว่างมันกินความสว่างแล้วมันกินมันกินอากาศเลยนะ ถ้าไม่มีอากาศให้มันมันจะไม่ติดอ่านั่นแหะกิริยาการเกี่ยวข้องกับมันทั้งหมดแหละมันมีสีเหลืองมันมีสีแดงแดงมันมีควันนะแล้วก็มันกินไส้ในขณะเดียวกันมันก็กินน้ํามันไส้ก็หมดไปน้ํามันก็หมดไปรูเทียนเล่มเล็กๆที่เราจุดเนี่ยมันก็เริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงนั่นแหะกิริยาอาการของมันทั้งหมด นี่แหละคือพบคือชาติของมันคือกิริยาอาการของอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของมันกิริยาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของมันนี่มันละเอียดนะมันละเอียดึกเข้าไปข้างในนี่เราดูยังไงเราถึงจะเข้าใจรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมรวมเป็นขันห้าขันห้าเป็นของที่ท่านให้เราทิ้งทั้งหมด ท่านไม่เอาท่านให้เราทิ้งทั้งหมดแล้วในเมื่อท่านพูดอย่างนี้อะไรคือเราแล้วเราเอาอะไรเป็นอะไรคือเอาอะไรคือไม่เอาอะไรคื อ, อ, อ, คอทิ้งการหัดพิจารณาเป็นการหัดแยกหัดแยะหัดขุดหัดคุยหัดหาช่องหาทางจปลงแล้วก็คือหาความฉลาดให้กับจิตของเราจิตที่มีความฉลาดละเอียดลึกใกล้เคียงเข้าไป กับสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือจิตที่มีความสงบมีความแนบแน่นกิเลสมันไม่ไม่แย่งไปทำงานกิเลสมันไม่ไม่แย่งไปทางานเพราะจิตที่มันได้รับความสงบนั้นนะเป็นจิตอิ่มจิตไม่หิวไม่หิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสเราจับผู้รู้เราจับท่ารู้เราก็ต้องพยายามจับตัวนี้ พยายามจับตรงนี้นทันทีให้ภาวนาให้จิตได้รับความสงบมันไปเราก็ดึงมามันไปก็ดึงกลับมาตราบใดที่เราตราบใดที่มันมันไม่อยู่คือก็คือไม่อยู่ตราบใดที่มันไม่สงบก็คือไม่สงบเราจะต้องเอาให้อยู่เราจะต้องเอาให้สงบหากมันสงบ ตามวิถ pues ีที่พุตริยาท่านทรงตรัสทรงชี้ทรงบอกทรงสอนตามหลักปฏิปทาที่เป็นตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้ไม่เกินนี้ไปได้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยมันครองโลกแต่ทมเนี่ยครอบกิเลสครองหมดกิเลสไปจากหัวใจ กิเลสมครองโลกเพรา ะ, ะมันถึงมันถึงติดค้างอยู่ในโลกจิตใจของพวกเราเนะี่ยถูกกิเลสครอบเพราะฉะนั้นเราตกค้างอยู่ในโลกกิเลสทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงในครองโลกแต่ทำข้ามพ้นโลกไปได้อธรรมะคู่แข่งขันพอถึงหลักใจสุดท้ายอ่าอะไรเป็นอะไรเป็นฝ่ายชนะอะไรเป็นฝ่ายแพ้ เรามาดูธรรมะคู่แข่งขันระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราครูบาอาจารย์หลวงตาทันเทศเอาไว้ธรรมคู่แข่งขันกิเลสกับธรรมมันจะแซงกันไปตลอดทุกระยะแซงกันไปตลอดทุกระยะแม้แต่ได้อริยธรรมประโสดาพสัสกิทาคาพระอนาคาคาไปแล้วกิเลสก็ยังแทรกตามหลังไปนั่นแหละตัณหาอวิชชามันยังไม่หมดยังตามแทรกเข้าไปอันนี้คือคู่แข่งขัน ตันหาอาวิชชาในหัวใจความโง่ของจิตมันชําระขัดเกล่ายังไม่หมดขัดสีให้สะอาดยังไม่หมดจดยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สิ้นเชิงมันก็ยังตามแข่งขันอยู่นั่นแหละบทบังอยู่นั่นแหละละเอียดเหมือนอยาพิที่แทรกอยู่ในอาหารมองไม่เห็นเห็นแต่อาหารเห็นแต่อาหารก็สําคัญว่าอาหารกัดซัดเข้าไปอ รับฐานเข้าไปฉันเข้าไปอ้าวฟาดอย่าพิษอีกแล้วยาพิษของกิเลสก็คือมันแทรกไปกับอารมณ์ของใจของเราเนี่นแหละหลงสําคัญว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อ้าวฟาดอย่าพิษไปอีกแล้วอ้าวฟาดอย่าพิษไปแล้ว ه, น, วนี่คือฤทธิ์เดีของความหลงมันไม่มีตัวไม่มี ต, ม น, ม ต, ม น, มตมนเหมือนยาพิษแทรกในอาหารลงตาท่านเทียบท่านเปียบที่เรา้ฟังเมื่อกี้นี่แหละพอ เข้าใจพอรู้เรื่องก็จะละได้ก็จะทิ้งได้ทิ้งรูปธรรม ท, ทิ้งนมามธรรมเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ทิ้งรูปธรรมแล้วทิ้งนามธรรมแล้วขั้นละเอียดที่ท่านพูดถึงนี่ต้องไปพิจารณาที่จิตอีกหลงจิตต้องพิจารณาที่จิตพระอวิชชามันละเอียดลึกเข้าไปในจิตที่ท่านเรียกว่ายึดธรรมยึดธรรม คือเข้าใจว่าจะของได้อัดได้ทำละเอียดลึกเข้าไปแล้วก็ยังเลยยึดธรรมภาวะของสิ่งเหล่านี้เลยจากนี้ไปทั้งหมดเลยจากนี้ไปทั้งหมดยึดธรรมก็คือยึดจิตยึดจิตก็คือยึดธรรมยึดความรู้ยึดความเข้าใจทนว่ายยึดธรรมยึดธรรมก็คือยึดจิตยึดจิตก็คือยึดผู้รู้ยังมีความสําคัญ ว่าเป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้ชั้นนั้นชั้นนีอางงาน้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสังที่ท่านเรียกว่าที่ท่านเรียกว่ามานะมานะเราไปดูในมานะมันละเอียดมากที่ท่านพูดเอาไว้ามานะเก้าที่ท่านพูดถึงมานะเก้านี่ตัวเองตอนเสมอเขาสำคัญสำคัญว่าเสมอเขาไอค้คำว่าสําคัญเนี่ยตัวนี้แหละมันพาหลง เสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาเสมอเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาตัววิชาคือตัวความสําคัญนี่แหละความสําคัญมั่นหมายความยึดเอาถึงเอาละเอียดละเอียดมากความสาคัญก็คือสัญญามันพาสําคัญคําว่าสําคัญนี่มันหมายเอาได้ทั้งนั้นแหละความหมายเอาทั้งนี้มันไม่ใช่กิริยาของสัจธรรมที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรม มันเป็นกิริยาสัจธรรมฝ่ายสมุทัยทาให้เราดึงมันออกได้ยากมากก็ใส่อวิชาความลุ่มหลงนั่นแหละไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวมันละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจละเอียดมากเนี่ยมันละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจนี่ความสําคัญอันนี้สามเลนะอ่าตนดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขา ดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนดีกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี่เป็นหกแล้วนะเป็นหกละเจ็ดตนเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาตนเลวกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาตนเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหูละเอียดเราพิจารณาดูทละเอียดเนี่ย สิ่งเหล่านี้ยังมีในหัวใจของของพระอริยขั้นสุดท้ายที่หลวงตาท่านพูดนี่เราพูดถึงตามธรรมที่ท่านแสดงให้เราฟังเมื่อกี้อพอมากระจายเป็นกลุยหมายป้ายทางพวกเราได้ยินได้ฟังว่าอะไรที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ในอาหารที่ท่านพูดเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้เพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้นมันละเอียดถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดว่ารูกพระเจ้าท่านจึงพูดเป็นอุปมาว่าตรบาบใดก็ตามกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามโอกาสที่จะมาขัดสีตรงนี้ให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมที่ละเอียดลึกขึ้นไปกว่านี้นี่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนบุรุษต้องการไฟเอาไม้สดชุ่มด้วยยางและยังแช่อยู่ในน้ำ หรือไม้สดชุ่มโดยยางทั้งสองอย่างนี่แหละเอามาเสียให้เกิดไฟทั้นบอกว่าเหนื่อยเปลา่า<ม>เหนื่อยเปลา่าเหนื่อยเปลา่าถ้าจะเทียบกับบ่อหุษวิดน้ําในเรือวิดไปทั้งทั้งที่ยังไม่อุดรูทะลุของเรือเรือนั่นแหละรูโวทะลุเข้าไปน้ําใหม่ทะลักเข้าไปน้ําเก่ามีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ต้องการจะให้ใหน้ําหมดวิทน้ําออกวิทย์อะไรมันก็ไม่หมดเพราะว่ามันมีรูทะลุเข้าไปมันมีมมีช่องมันมีรูทะลุเข้าไปเพระาะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อตรงแน่วไปสู่ไปสู่หนทางที่ท่านสั่งสอนเอาไว้คือท่านให้อุดรูรั่วอุดช่องของรูของรูของเรือรที่น้ํามันทะลักเข้าไปเมื่อรอุดได้แล้ว เราก็วิดน้ำเก่าที่มีอยู่ในนั้นออกเมื่อน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าเราวิดออกวิดไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นวิดไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุปมาสองข้ อ, อกายไม่ออกจากกามจิตไม่ออกจากกามจึงเหมือนบรุษวิดน้ำในเรือที่ไม่ยอมอุดรูอุดช่องรูโบที่จะทําให้น้ําทะลักเข้าไปนะ กายยังไม่ออกจากกามหมายความว่าเรายังครุกคลีอยู่กับครอบครัวจิตยังไม่ออกจากกามหมายความว่าจิตของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่ยกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่เป็นเรื่องของครอบครัวหัวเมียมีลูกมีเต้ามีอะไรต่ออะไรนี่นี่เขาเรียกว่ากา ย, ยไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกาม ทีผู้ที่มีกายออกจากกามมาแล้วมาอยู่วัดมันตั้งใจภาวนาะให้จิตได้รับความสงบมีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วจิต ข, ของเราได้รับความสงบสงบจากกิเลสมันพาให้เราไปนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่มันพาปรุงนั่นแนหะมันพาปรุงเรื่องกามคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละกิเลสมันพาเราปรุงเราสงบระ ง, งับมันได้ด้วย อารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธพุโธเมื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็พยายามดำเนินอรอยิยมรรคพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อ ย, พ เ, เ, อยเพื่อไม่ให้ตัณหาใหม่มันเกิดตัณหาใหม่ที่ยังมีอยู่ก็พยายามขุดพยายามคุยพยายามที่จะรือ้ออย่าถอนออกก็เหมือนกับบุรุษต้องการพิดน้ําออกจากเรืออุดช่องอุดรูน้ําที่มีอยู่ในนั้นก็พยายามวิทย์ออกวิดออก ในเมื่อ น, น้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าวิ่ออกวิ่ออกสัหน่อยก็หมดทําให้เรือเราเบาสบายข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นได้อย่างสะดวกสบายนี่ท่านอุปมาท่านเปรียบเทียบนะบษที่สมีกายากกากออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วดํารงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดทความเพียรย่อยหย่อนทําไปทําไปทําไ ป, ไปแล้วก็หยุดทําไปทําไปทําไปแล้วก็หยุดเหมือนบุุรษเอาไม้แห้ง อยู่บนบกซึ่งสมควรจะเสียเกิดไฟได้เพราะมันแห้งมันไม่สดไม้ไม่สดมันไม่ชุ่มเลยยางแล้วก็ไม่แช่อยู่ในน้ําไม้แห้งวางอยู่บนบกไปสีอย่างถูกต้องตามวิธีสียเสีสีสียเสียเกิดไฟนะสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดอ๋อเมื่อหยุดมันก็เย็นไปแล้วคิดได้ถูอีกสีอีกสีไปสีไปเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วหยุดนี่คือความเพียนย่อหย่อนไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้ที่ถือตามกติตัวอย่างได้คือบุรุษที่สี่กายออกจากกามและจิตออกจากการแล้วดําเนินตนอยู่ในอริยมรรคโยงแปดอย่างถูกต้องทําหนักหน้าเข้าไปเรื่อยอวิทยเข้าไปเรื่อยวิทยเข้าไปเรื่อยวิทย์เข้าไปเรื่อยวิทยจนหมดคำว่าวิทยจนหมดก็คือทําหนักหน้าไปเลยไม่ปล่อยช่องไม่ปล่อยโอกาสให้กิเลมันแทรกไม่ปล่อยช่องไม่ปล่อยโอกาสให้กิเลมันแทรก ในเมื่อไม่ปล่อยให้ช่องให้กิเลมันแทรกเราก็มีแต่ขัดมีแต่สีมีแต่จิตตรงนี้ก็ลยมันจะแข็แงกล้าด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาหนักหน้าไปเรื่อยเหมือนกับบุรุษเสีสีไม้ไปพอสีไปสีไปมันได้ที่มันก็ส่งสัญญาณมาแหละอ้าวมีควันขึ้นแล้วโอ้ไกลแล้วไกลแล้วแลอ๋อเป็นฐานดำดำขึ้นมาแล้วโอ้ยไกลแล้วอืมฐานแดงแดงขึ้นมาแล้วโอ้ยไฟเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ใส่ขี้ฝุ่นขี้ฝอยเข้าไปปากเป่าคุได้ไยใช้ท่านพูดถึงความเพียรที่เราตั้ ง, งใจทําเพื่อเกิดความภากความเพียรเพื่อให้ได้มรดกได้ผลต้องดําเนินตามบุรุษคนที่สี่บุตรคนที่หนึ่งไปยังใช้ไม่ได้บุตรคนที่สองยังใช้ไม่ได้มาทําให้เกิดปยายาัญญาญาณเกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้เนื่องจากว่าเราขัดสี เท ah ่าไรมันก็ไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นธรรมะที่จะพึ่งเกิดขึ้นก็ปิ๊บแป๊บแป๊บมีความร้อนนิดนหน่อยหแล้วหายไปร้อนนิดนิดหน่อยหแล้วก็หายไปนี่อีกอันหนึ่งก็คือทําหยุดทําหยุดทําหยุดท่าหยุดเราดูว่าเราเป็นเทียบกับบุรุษประเภทที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สาหรือที่สนี่เราจะได้รับคําตอบเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขปฏิปทา ของเราเพื่อจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมมติสมหมายภายในจิตของเราการบรรพิชาการออกบวชบวชเนยนท่านเรียกว่าบรรพิชาบวชพระท่านเรียกว่าอุปสมบทอุปสมบทเข้าไปรักษาบทศิกขาวินัยอุปสมบทอุปสมบทเข้าไปรักษาศิกขาบทวิ น, นัย บรรพชาคือบวชสมำเนนท่านใช้คำว่าบวชสมำเนนอุปสมบทใช้คําว่าบวชพระเรื่องบรรพชาเราเราเรียกรวมๆ ว, ว่าบวชบวชบวชมีมาประจําโลกไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะสมัยพระรูธเจ้าบัตรมีมาประจําโลกมีมาประจําโลกโลกเกิดยุคใดสมัยใดมันเป็นช่องออก ที่ทำให้คนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเกี่ยวข้องกับกรารมคุณทั้งหลายทั้งปวงมาสแสวงหาช่องทางเพื่อปราศจากฝุ่นทุลีละอองกายไม่ออกจากรกรมจิตไม่ออกจากกรมคือกายจิตที่เต็มแพร่ครุกอยู่ในกองฝุ่นทุลีละอองอเข้าปากเข้าดังเข้าปากเข้าตาเข้าหูเข้าอะไรเต็มไปหมดเปรอะเปื้อน เนื้อตัวเต็มไปหมดเหมือนกับตัวของเรานี่มันเปียกน้ําชุ่มแฉดไปอยู่ใกล้ของขีฝุ่นคลุ้งมาน่ยอะไรฟุ้งมาเท่าไหรก่ก็เกาะหมดอะไรฟุ้งมาเท่าไหรก่ก็เกาะหมดอะไรฟุ้งมาเท่าไหรก่ก็เกาะหมดนี่จึงเป็นช่องที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยได้ช่องได้ทางได้โอกาสออกมาหาบําเพ็ญความสงบเราจะเห็นว่ามีฤาษีชีไพร ทุกยุคทุกคราวแม้พุทธิยาของเราท่านก็ออกบําเพ็ญบวชเป็นฤาษีชีไพรามาทุกระยะสมัยที่ตั้งตั้งความปรารถนาเป็นปรารถนาสาเร็จเป็นพระสัมมาสัพพุท ธ, ธนะเนี่ยพระองค์ก็เป็นฤาษีเป็นดาบวดาบวกับฤาษีก็ประเภทออกบําเพ็ญเหมือนกันนั่นแหละสุเมธทัดาบวนะสวยชาติเป็นสุเมธทัดาบวนะไหมทรงชารสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้เพลินละ มาก็เห็นประชาชนทั้งหลายเขาทําอะไรศาสนาของพระพระอะไรนะพระวิปัสสีหรือพระอะไรพระพุทธเจ้านำว่าวิปัสสีอะไรท่านจะเสด็จจากชนบทนี้ไปสู่ชนบทนั้นประชาชนทั้งหลายที่อยู่ชนบทที่พระองค์จะเสด็จไปก็ดีอกดีใจพากันทําถนนหนทางนี่ประชาชนเห็นประชาชนมาทําทําเต็มไปหมด่ะ สุเมศดาบทเหาะมาทางอากาศมาเห็นเอ๊ประชาชนเนี่ยเขาอะไรลงมาถามทราบความมาโอ้พระพุทธเจ้าพระวิปัสสีจะเสด็จผ่านตรงนี้ก็เลยพากันทําถนนลนทางก็เลยไปช่วยเขาอยากได้บุญอยากได้ในสงไปทําแล้วก็เสียสละอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแหละทําไปทําไปทำไ ป, ำ ไ, ป, ำ ไ, ปไปเหลือช่องขนาดเอาตัวพาดเป็นสะพานเอาตัวเองเนี่ยทอดเป็นสะพาน เพื่อให้พระวิปัสสีเนี่ยสเสด็จข้ามไปแหละแล้วก็ไปขออยู่ตรงนั้น่ะไปขอเอาตัวเองทำเป็นสะพานอยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ดบดีแหละตั้งใจจะเอาตัวเองเป็นสะพานทอดให้ท่านเดินผ่านเข้าไปพอพระวิปัสสีเสด็จกับพระสาวกห้าร้อยเสด็จผ่านมาก็เอาตัวเองนอนทอดเป็นสะพานเลยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสุขพระสาวกห้าร้อยเนี่ยผ่านไปจนหมด ขาดใจตายตอนนั้นพอดีนะรูปีเจ้าก็เลยทํานายว่าดาบทผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะในยุคนน้นในสมัยนัน้นนะี่ก็ได้ยินตั้งแต่นั้นมาก็สร้างบารมีออกปากตั้งแต่นั้นมาสร้างบารมีออกปากนะพุโทโธโหมีอนาคเติ์ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ในอนาคตการให้ได้บรรลุเป็นพ ร, ระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่คือฤาษีคือดาบทต้ทนต่อที่พุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบวชนั้นจึงเป็นธรรมเนียมประจำสิ่งที่มีประจำอยู่ในโลกมีอยู่สามหนึ่งทานสองบัญชาสามมาตาปิตุปัฏฐานสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลก ทานคนเกิดมาในโลกต้องมีการให้ทานเวลาอยู่คลุกคลีกับการมคุณทั้งหลายทั้งปวงเบื่อนายก็มีช่องทางที่จะออกคือบรัญชาแล้วก็มาตาปิทุปทานคืออุปธรรมอุปถาบำ ร, รุงบิดามารดาเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ ย, ยงท่านตอบํำรงวงสกุลของท่าน ศึกษาศิลปะวิทยาให้สมกับที่ท่านเสียสละทรงให้เราหาวิชาหาความรู้ทำตัวให้เหมาะสมสมผรที่จะได้รับทรัพย์รับมรดกของท่านแล้วก็สุดท้ายท่านตายแล้วทำบุญอุทิศให้กับท่านนี่มาตาปิตุปฐานอันนี้มีเป็นคติมีมาอยู่ปริยัมโลกเพราะฉะนั้นคนที่จะมีจิตระดับถึงว่า ออกจากฝุนทุลีละอองเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจ เ, เป็นระดับกิจที่สูงไม่งั้นโอกาสที่จะตัดสินใจได้ยากเพราะสิ่งที่จะมันจะดึงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสมันดึงจิตละออกไปเนี่ยมันมีทุกระยะที่มันคอยกระสิบกระซาบอยู่ในหัวใจของเราโดยปกติกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้นเนี่มันไม่ต่างอะไรกับไฟนะ จิตของเราที่เต็มแปร่ไปด้วยกิเลสนะถ้าเราจะเทียบกับไม่ต่างกับเทียนพอถูกไฟมันก็อ่อนตัวเทียน <c oughs> ถูกไฟมันก็อ่อนยุบเทียนถูกไฟมันก็อ่อนยนุบนะมันถูกไฟกินทำทั้งหลายทั้งปวงที่มันยังไม่มีกําลังพอมันก็ถูกกิเลสกนินกินเจนหมดนั่นแหละขมือก็ไฟกินมันก็ไฟกินคิ้พึ่งกินเทียนนั่นแหละ ท่านเรีว่ากายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามออกจากกามกายออกจากกามแล้วจิตออกจากกามแล้วต้องทําความเพียรอย่างต่อเนื่องถึงจะบรรลุปเป้าประสงค์สมหวังไ ด, ได้ได้ทำถ้าเผื่อบุรุษสีไม้ให้เกิดไฟก็ได้ไฟใช้นี่เป็นข้ออุ ป, ปมาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปเทียบเคียงแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมไป เอาตามความสามารถแห่งตนแห่งตนในวันพวกนี้ก็มีการบวชสองนาทสามนาครับทานเสร็จแล้วก็บวชก็ฝึกขานนาดได้เท่าไหร่เราก็ไม่ได้ฟังสักทีก็เอาให้คล่องก็แล้วกันแหละเราปวดเจ้าตัวที่จะบวช ก็ให้คิดว่าเราอยู่เดินเดินอยู่บนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งอีกระดับหนึ่งการปรับเนื้อปรับตัวความอดความทนนี่ก็ต้องอาศัยอย่างยิ่งอาศัยความอุตสาห์ยพยายามอย่างยิ่งยวดต้องอดต้องทนนั่งให้ยุงเจาะก็นั่งเจาะไหมเรานั่งเนี่ยยุงเจาะไหมเจาะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหมดแล้วล่ะงุดงิดไล่มันออกบ้างอะไรบ้างทนบ้างนี่เราเริ่มได้ เริ่มได้ขันติได้ความอดได้ความทนถ้าอยู่บ้านเราไม่มีทางอะข้าวห้องแอร์มุงรั่วอย่างดียุงไม่กวนแต่ว่ายุงข้างนอกไม่กวนแต่ยุงข้างในกวนกวนยุงข้างในใจนั่นแหละยุงคือกิเลสอะมันกวนกวนกวนอยู่ข้างในนั่นะยุงข้างนอกไม่กวนอันนี้ยุงข้างนอกมันกวนช่างมัน แต่เราพยายามต่อ ก, ก้อนกับยุ่งข้างในนะั่นแหะตัวสําคัญร้ายกาจที่สุดให้สมน้ำหน้าภพชาติมันอมันโง่โอกาสที่จะได้อัดได้ทําตามพระพุทธเจา้าองค์นั้นองค์นั้นพระพุทธเจา้ามากมายเท่ากับเมล็ดไสแม่นม้ําโพคาตัวเองไปซุกหัวอยู่ไหนกันม่รู้สมน้ำหน้ามาเลยแหละอ่าก็เป็นวิธีหนึ่งคิดเอาพิจารณาเอาพูดเอาสอนเอา แล้วก็จัดแจงอุตส่าหพยายามบากบัน่นทำความภาคความเพียรชำระขัดเกลาตัวเองไปให้สมความประสงค์ตามที่เรามุญมมัดปรารถนาความสุขความเจริญในหัวใจจะต้องได้ประสบพบเห็นไม่มากก่อนน้อยเป็นเหตุให้เราเปลกปลาดอัศจรรย์อำนวยพรจบแค่นี้ u <sighs>